บุ๊ทูสิบสองบารบารเครื่องดื่มเปยปย์ดิฉันดื่มชาค่ะมิจาปิตุมีชาพิเต ดิฉันดื่มกาแฟค่ะมีคอฟฟปิตุมีคอฟฟปิตดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะมี water มินเนอรัลวอเตอร์ปิตมีมินเนอรัลวอเตอร์ปิติคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะตุลิมบุกาลุนชาปิตสกาตลิมบุกาลุนชาปิตสกา คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะตู้สากล์กาลุนกาแฟพิเทสกาตู้สกล์ุกฟ pit สคุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะตู้เบรฟ์กาลุนชาห์พิเทสกาบุนปานีพสกมีงานเลี้ยงที่นี่อิทธิ์เอกพาร์ตี้ซาลี อิทธิเอกพารตีจัดลีย้ยหคนกำลังดื่มแชมเปนลกูกแชมเปหล็แชปีตอาหิตคนกำลังดื่มวน์และบียลูกวนบยลวนอันบียรปีอาหิาาหคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะ ตุมัดเดียิตสค่ตวมัยพิ ต, สตพเสกาคุณดื่มวิสกี้ไหมคะตัวิสกี้ปิตสค่ตวิสกี้ิเตเสคคุณดื่มโค้ก่เลารัมไหมคะตัรัมกาลุนโค้กปิตสค่ตรัมกาลุนโค้กปิตเสกดิฉันไม่ชอบแชมเปญ มัลลาแชมเปญอรุนาหมัลชมเปญอรุตนาหิดิฉันไม่ชอบไวน์มลาไวน์อรน้าหมัลลาน์อรตนาหิดิฉันไม่ชอบเบียร์มลาเบียร์อรุนาหมัลเบียรอรตนาหิเด็กอ่อนชอบดื่มนม ब ाรाลาดูดอวัลด์บาाาाาดูดอวัลด์เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิลบาราลากโกโก้アニสซัฟฟอร च ชันดา र ารสอวัลा์บาราลากโกโก้ア च สซัฟฟ र ร์ชอผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุตเ्้าสตรีล่าสันตราตารสアニสด र ा क ् ष ा च ा रस आ व ล त ो स्त्रीला, संत्रे आ ण ि द्राक्षांचा रस आवडतो